นั่งภาวนาฟังเมน่ี้เราพนังฟังเทศหลวงตาเป็นธรรมะชั้นสูงพเราพูดพื้นพื้นเป็นการปรับความเป็นอยู่ความเป็นอยู่พื้นพืๆนี่แหละมันมันลำบาก กว่าเราจะปรับพื้นเพจริตนิสัยของเราได้มันลาบากนะความเป็นอยู่พื้นเนี่ยรวมไปถึงเรื่องธรรมรวมไปถึงเรื่องวินัยรวมไปถึงความเป็นอยู่ที่เราอยู่อยู่กันเนี่ยทำไมอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่จาเป็นแหละเพราะธรรมะในเทปลุงตามีมาก ในแผ่นซีดีมีเยอะเราก็เอาไปฟังกันทั้งกรณ์ก็ตามใครอยากฟังพิเศษก็เอาไปฟังมีซีดีจเอาไปฟังเอาแผนไปฟังหรือจะเปิด 103.25 FM ของลุงตาก็ได้ฟังได้24ชั่วโมงตรวจตลอดทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมง ร้อยสามจุดสองห้ามีต้งภาพปกติประจำวันธรรมดาตอนเช้าๆมีทางภาพช่วยชาติมีทางภาพเทศพระเทศคราวาสเก่าๆตั้งแต่สองพันห้า้อยห้าเป็นต้นมาเป็นเทศเป็นเทศของดวงตา ที่เราพูดเราปรับกันเพื้อ น, นก็คือความเป็นอยู่ของเราเนี่ยแหละความเป็นอยู่เนี่ยมันยุ่งยากมันวุ่นวายถ้าเราจะว่ายุงยาย่งยากก็ยุ่งยากถ้าเราจะว่าวุ่นวายก็วุ่นวายเพราะความเป็นอยู่มันเกี่ยวกับเรื่องกายเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของเรานี่ย ตอนท่าอย่างตอนเช้ามาเราจำเป็นจะต้องมาสลาจำเป็นต้องมาสลาแล้วเราต้องมาปัดมากวาดมาเช็ดมาถูทำไมเราต้องกวาดต้องเช็ดต้องถูเพราะเราอาศัยสลาเราพึ่งสลาเราก็ต้องให้สลามันพึ่งเราคือให้มันสะอาดทำไมเราจึงต้องมาพึ่งสลาก็เพราะเราออกมาฉัน ความเป็นอยู่เพราะร่างกายของเรานั้นต้องอาศัยความเป็นอยู่คืออาหารต้องออกมาขบมาฉันประก่าเจ็ดถูปูอาสนะเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทางวัดแล้วก็นั่งภาวนาในช่วงเช้าเราก็ได้ได้อีกโซดหนึ่งพราะได้เวลาให้ให้พวกเราตั้งใจทําอย่าเป็นถือเป็นเรื่องน่าเบือ่อ มันเป็นข้อวัดอย่าถือเป็นเรื่องว่าเสียเวลาอย่าถือว่าเป็นเรื่องว่าไม่นั่งมาภาไม่น่ามานั่งภาวนาเป็นหมุ่เพราะดูไปที่เราทําเลยเราต้องการให้สงบมันสงบเลยไหมเรานั่งอย่างนี้เราต้องการให้สงบมันสงบเลยไหมเราไปนั่งที่กุติเรานี่ เราต้องการให้สงบมันสงบได้ไหมถ้าเรานั่งสงบได้ทุกเมื่ออยู่ที่นู่นเราก็นั่งสงบได้อยู่ที่นี่เราก็นั่งสงบได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือเราอยู่ที่นู่นเรานั่งสงบได้รามาที่นี่เราสงบไม่ได้เพราะเหตุใดเราต้องหาเราต้องหาแหละเราเห็นความจําเป็นตรงนี้เราอย่าให้หมูของเรานี่ ได้ทาอย่าง น, น้อยก็เป็นขอ้อวัดไม่งั้นเราก็ลืมกัน ล, ลืมหรือเมื่อที่นี่ไม่ได้ทำไปที่นู้นถ้าเกิดไปลืมที่นู่นอีกนับตั้งแต่ฉันเสร็จลงไปจนถึงตอนค่าก็อาจจะถึงเช้าอีกวันรุ่งขึ้นก็ลืมอีกเมื่ออย่างตอนเช้าเราไม่ได้ทําถ้าเกิดกลางวันเราไม่ได้ทําอีก มีแต่ลืมกับลืมคนที่ตั้งใจตั้งอกตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจริงๆเท่านั้นที่จะไม่ลืมที่จะตั้งใจไปเดินจงกรมตั้งใจไปนั่งภาวนานี้เราพิจารณาดีถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรเสียหายเราตั้งใจอยู่ที่นุ่นภาวนาคนเดียวก็ได้ประโยชน์ แต่รับความสงบได้รับความผาสุกสบายใจเรามานั่งอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรในเมื่อต่างคนต่างนั่งภาวนาเอาเราจะไปถือเป็นเรื่องขัดข้องทําไมท่านบอกว่าภาวิตโตภาวีกะโตทํำยังไงถึงจะเป็นภาวิตโตภาวรีกะโตการที่เราไม่อยู่ใน ท่าทีของการนั่งภาวนาการที่เราไม่อยู่ในท่าทีเราเดินจงกรมเราสามารถทําได้ตลอดก็ยิ่งดีพอถึงเวลาถึงการถึงคราวที่เราต้องนั่งเราก็ตั้งใจนั่งถึงการถึงคราวที่เราเดินตั้งใจเดินเดินจงกรม มันก็มีแต่เรื่องดีกับดีมีแต่เรื่องได้กับได้ถ้าเราตั้ง อ, อกตั้งใจเราแบบระาวาังสร้างเนื้อสร้างตัวเราไม่อยู่ในท่าทีเดินเราไม่อยู่ในท่าท่าทีนั่งเราก็สามารถเอาจิตของเราอยู่ตลอดทุกระยะทุกขณะไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะ กินจะดื่มจะทําจะพูดจะคิดอันนี้ก็ยิ่งดีเยี่ยมแท้จริงการประพฤติปฏิบัติของเราเราต้องการที่จะทําให้ได้อย่างนี้ถ้าเราทําได้อย่างนี้ไม่สําคัญว่าอิริยาบถใดเราก็พึ่งภาสายตัวเราได้การทําแบบนี้ได้ตลอดอิริยาบถ ท, ทั้ง4ี่ทั้งวนันทั้งคืน เราไม่จาเป็นจะต้องอาศัยแบบอย่างเพราะแบบอย่างนั้นเป็นแบบรองพื้นจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วจะอยู่ในท่าทีแบบอย่างเราก็สามารถทาได้จะอยู่นอกท่าทีแบบอยางคาว่าหน้าทีท่าทีแบบยางก็คือท่าทีนั่งภาวนานั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มั่นแล้วก็ภาวนานี้เราถือว่าเป็นท่าทีเป็นท่าทีที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนั่งภาวนาเป็นท่าทีหรือเป็นแบบอย่างยึบเป็นเยี่างอย่างหรือเป็นตัวอย่างที่เราได้ฝึกได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์เดินก็เช่นเดียวกันก็เป็นกิริยาของท่าทีเพราะครูบาอาจารย์สอนให้เราเดิน โดยโยกลมอาจจะบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธอยู่ที่จิตตลอดไปทั้งเดินไปทั้งเดินกลับทั้งเดินไปทั้งเดินกลับกี่เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตามแต่เราภาวนาเป็นการมัดจิตของเราให้อยู่เป็นการเดินโยกลมหรือเราจะเอากําหนดว่าก้าวขวาพุท ก้าวซ้ายโถก็ได้พุทโถพุทโถพุทโถพุทธโถทำความรำพึงอยู่ที่จิตคําดําริพุทโธพุทธโถอยู่ที่จิตให้มันสัมผัสสัมพันธ์กันกับเท้าขวาก้าวไปพุทธซ้ายไปก็โถพุทโถพุทโถพุทโถพุทโถเวลาไปถึงหัวจงกลมแล้วก็ม้วนตัวกลับทางขวา หมุนตัวกลับทางขวาแล้วเราก็ยืนราพึงซะก่อนก็ได้ยืนบริกรรมซะก่อนก็ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธทําความรู้ตัวให้ทั่วพร้อมระ ล, ลึกมีความรู้ตัวตั้งแต่นุ่นปลายผมบนชี้ศะลงมาจนถึงฝ่าเท้าที่กำลังยืนอยู่เนี่ยให้มันหนักแน่นหนักนวล ห, หนัก ขณะจะสามารถทำให้ดินจมลึกลงไปตอนนั้นเลยเป็นข้อประมาด้วยความตั้งใจหนักแน่นนั่นมันก็เป็นการกระตุกความรู้สึกขึ้นมากระตุกความรู้ตัวคือสัมปชัญญะคือความรู้ตัวในขณะที่เราทำสติกับสัมปชัญญะต้องสัมผัสสัมพั์ไปด้วยกันสติสคือความระลึกได้ระลึกได้กับอารมณ์ ที่มันเปลีป่ยนไปตามขนาดของจิตนั่นแหะทั้งแต่กว่าสติคือความระลึกได้ระลึกได้แล้วก็มาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันถ้ามันล่วงไปแล้วแสดงว่าเราระลึกไม่ทันมันเกิดขณะใหม่ขึ้นมาเราก็ถึงระลึกได้แสดงว่าขณะก่อนมันล่วงไปแล้วเราระลึกไม่ทันประกอบกับสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวว่าเรากําลังสมมตเรายืนนะรู้ตัวว่าเรากําลังยืนรู้ตัวว่าเรากําลัง ภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธสติกิดสัมผชสัญญะจะทํางานสัมผัต ส, สัมพันธ์กันไปตลอดอันนี้เป็นแบบอย่างนะถ้าเราทําจนชำนิชํานาญแล้วเพียงแต่เราก็หนดปั๊บมันก็เข้าที่เข้ามันกําหนดปั๊บมันก็เข้าที่เข้ามันวิจิตมันไม่ไปไหนอนั่นจะเราทําเป็นพื้นเป็นบานเป็นฐานเป็นอะไรได้แล้วนอกจากปล่อยจิตล่องลอยไปตามเรื่อง ไปเจอกับอารมณ์ที่มันรุนแรงอารมณ์นั Times. ้นก็ดึงไปอารมณ์ไหนที่มันรุนแรงที่สุดน่ะอารมณ์นั่นแหละมันจะดึงจิตไปมันไปคล้องกับอารมณ์นั้นมันไปแวกกับอารมณ์นั้นมันไปใคร่ครวญกับอารมณ์นั้นอารมณ์ที่รุนแรงก็คืออารมณ์ที่น่าดีใจอารมณ์ที่น่าเสียใจอารมณ์ที่โกรธเครียดโมโหโทโส ก, ก, กับคนนั้นกับคนนี้อารมณ์ที่น้อยเนือน้อต่ําใจกับความผิดหวังอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งต่างๆเหล่า น, นี้สามารถสร้างอารมณ์ที่รุนแรงให้กับจิตได้เช่นเดียวกันเมื่อมันสร้างอารมณ์รุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมามันก็ทําให้จิตเนี่ยวกวนอยู่เตะกับอารมณ์นั้นนั่นแหละคําว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตของเราไปเกี่ยวข้อง ปกติจิตน่ยมันจะน้อมไปตามอารมณ์มโนมโ น, มโนประว่าน้อมจิตของเราเราดูลักษณะพื้นเพลของจิตของเราของท่าน เ, นเราดูมันมีลักษณะน้อมมันน้อมไปสู่อารมณ์แต่ด้วยเหตุที่เราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาไอ้คาว่าจิตกับอารมณ์เนี่ยเราเห็นเป็นอันเดียวกันเลยเราเห็นเป็นอันเดียวกันเช่นอย่างจิตไปรู้ จิตไปเห็นจิตไปได้ยินเนี่ยเราก็เห็นเป็นอันเดียวกันเราเห็นเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นอันเดียวกันเลยแต่แท้ที่จริงเนี่ยจิตกับอารมณ์น่จิตมันวิ่งไปเกาะกับอารมณ์อารมณ์ต่างหากจิตต่างหากมันคนละอันแต่โดยเหตุที่เราไม่ได้ยินไม่ได้ศึกษาไม่ได้แยกแยะเราก็เห็นเป็นอันเดียวกันเป็นว่าได้เห็นเป็นว่าได้ยิน ถาเรามีสติมีสัมผชัญญาอยู่กับเนื้อกับตัวนี่มันจะแยกแยกจากกันสมมติเราได้ยินเสียงปั๊บเสียงอยู่ที่นู่นผู้รู้อยู่ที่นี่ได้ยินอยู่ที่นี่ผู้รู้จะอยู่ที่หูได้ยินอยู่ที่หูเพราะผู้รู้เนี่อยู่กับเนื้อกับตัวมันไม่ได้ส่งจิตไปตามไปตามเสียงแต่ถ้ามีสติมีสัมผชัญญาพร้อมถึงจะส่งไปตามเสียงก็ไม่เสียหายอะไรก็รู้ตัวว่า จิตส่งไปตามเสียงยก็ไม่มีโทษอะไรเพราะเมื่อส่งไปแล้วก็ดึงกลับได้ดึงกลับคืนมาได้แต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยมันยึดเสียงยึดเสียงแล้วมันก็พันอยู่ในเสียงยึดรูปรูปที่กระทบกระเทือนที่รุนแรงที่สุดก็คือรูปที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามรูปอารมณ์รุนแรงของกิเลสที่มาแสดง ขึ้นโดยเฉพาะเราเห็นทางตาเนี่ยอรูปผู้ชายรูปผู้หญิงเนี่ยรูปที่รุนแรงเป็นเหตุให้จิตมันชอบคือกิเลสมันชอบโดยปกติจิตมีแต่รู้ๆเท่านั้นแหละแต่ด้วยเหตุที่ว่ากิเลสกามาราคามันมีอยู่ที่จิต่ะพอเห็นปั๊บจิตมันก็ชอบเราก็ไม่รู้ว่ามันชอบแหละมันก็ไปพันกันเลยเป็นอันเดียวกันเลยดึงจิตไป จิตมันน้อมไปจิตมันโ อ, โอนเอ็นไปจิตมันน้อมไปกับอารมณ์นี่เพราะฉะนั้นคําว่าอารมณ์อารมณ์คือสภาพที่จิตของเราเนี่ยไปคล้องไปแวะไปเกี่ยวไปคล้อ ง, องสิ่งที่จิตเข้าไปเกี่ยวไปคล้องไปแวะเนี่ยต้าเรียกว่าอารมณ์อารมณ์อารมณ์กับจิตมันคนละอันอย่างที่พูดในประเด็นเมื่อกี้เนี่ยอารมณ์อารมณ์มกับจิตมันคนละอัน ถ้าเราภาวนาแล้วเราพิจารณาดูให้เห็นจริงๆแล้วเราจะเห็นว่ามันมันคนละอันมันคนละอันแต่เราก่อนที่เราจะรู้ว่าคนละอันได้เราจะต้องมีสติมีสัมผััญญาเป็นพื้นเป็นเพเป็นบาทเป็นฐานมีความสงบภายในจิตพอสมควรสามารถรู้ทันมันมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวมีสัมผััญญาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ปล่อยล่องลอยไปตามที่มันแทรกเข้ามา อันนี้เขาเรียกว่าทันมันไม่งั้นเราไม่ทันมันอารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับเรามันชอบไปมันชอบไปคล้องไปแหวกับอารมณ์ที่มันรุนแรงโดยลําพังของจิตโดยปกติของจิตแบบนี้เพราะฉะนั้นที่เราเดินยังกรมที่เรานั่งภาวนาเราต้องการทําให้จิตสติกากับจิตตลอด มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวมีสติอยู่กับจิตมีสติอยู่กำกับจิตมีสัมปชัญญะอยู่กำกับจิตเราจึงต้องการนั่งภาวนานา น, า น, านเอาคำว่าพุทโธเป็นอารมณ์เอาจิตมาเกาะมามัดไว้กับอารมณ์อารมณ์ที่เราบริกรรมมาพุทโธพุทโธพุทโธคำว่าพุทโธนี่นี่แหละเป็นอารมณ์ เราเอาพุโทโธมาเป็นที่ตั้งแล้วก็เอาจิตไปนึกไปคิดไปดำํำริไม่ต้องมีพิจารณาค่ครัวอะไรมากเพียงแต่บริกรรมมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเอาใจบริกรรมเอาใจว่าบริกรรมคือพูดซ้ำซากพูดซ้ำซ้ำที่เรียกว่าบริกรรมบริกรมรมแปลว่าทาําซ้ําๆพุโทโธพุโทโธพุโทโธกิริยาว่าซา้ําๆำนี่ที่เรียกว่าบริกรรมจะลักษณะ ตละพุทโธแตละพุทโธท่านให้มีสติกำกับ ม, มีสัมปชัญญะกำกับรู้ตัวว่าเจ้าของกำลังบริกรมททก ร, กรมพุทโธกำลังบริกรรมพุทโธอยู่มีสติอยูม่มีสัมปชัญญะอยูท่ทำจนเชื่องทำจนชินคือจิตมันเชื่องกับสติจิตมันเชื่องกับสมัมปชัญญะเมื่อจิตมันเชื่องกับสติจิตมันเชื่องกับสัมปชัญญะ ถึงแม้ว่าอารมณ์ทางรที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นอะไรก็ตามในอายตนะพัยนอกทั้งหมาสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะพัยในในกายของเราทั้งหกเนี่ยมันเกิดการมันเป็นการแยกกันโดยอัตโนมัติทําให้เรารู้รับทราบทันทีแต่ถ้าเราไม่ทันกิเลสมันก็สวมรอยทุกครั้งถ้าเราทันกิเลสมันก็แทรกเข้ามาไม่ได้มันเป็นการทํางานอย่างได้ผลทํางานได้อย่างต่อเนื่อง สติขอเราก็แน่นหนามั่นคงมีกําลังมากขึ้นสัมผััญญาของเราก็แน่นหนามั่นคงมีกําลังมากขึ้นแท้สติกับสัมผััญญะถ้าเราจะแยกเราก็พอจะแยกได้ตามคําในหลักธรรมที่ท่านพูดเอาไว้ท่านทรงปริยญาทรงตรสเอาไว้แต่ส่วนมากครูบาอาจารย์ท่านมักจะไม่ค่อยแยกแยะท่านจะพูดไปด้วยกันเลยสติสัมผััญญามีสติมีสัมผััญญาไปด้วยกันสติคือความระลึกได้ จิตมันระลึกได้แท้จริงสติก็เกิดจากจิตนั่นแหละสติตั้งอยู่ในจิตสติเกิดจากจิตสติเกิดพร้อมกับจิตสติตั้งอยู่พร้อมกับจิตสติดับไปพร้อมกับจิตแต่มันเป็นช่วงขณะขณะหนึ่งที่เราเห็นจิตของเราในชัดที่สุดช่วงนั้นเขาเรียกว่าช่วงจิตเรามีสติกำกับจิตสัมผััญญะก็เกิดจากจิตสัมผััญญะคือความรู้ตัว เวลาเรากําหนดย้อนไปดูเนี่ยมันจะเกิดความรู้ตัวเออใช่เรากําลังยืนบริกรรมเรากําลังยืนภาวนาเรากําลังเดินภาวนาเรากําลังนั่งภาวนารวมไปถึงอิรยาบดต่างๆที่เราจําเป็นจะต้องมีจะเป็นการกินการดื่มการทําการพูดการคิดการทําธุรกิจการงานอย่างนั้นอย่างนี้การกลมการเงยการยกหนักยกเบา การแบกการหามการอะไรต่ออะไรก็ตาม mm. ถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะชัดเจนเราก็มีความรู้ตัวอยู่ตอนนั้นถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะกำกับอยู่พร้อมอย่างนี้แล้วกิเลสมันก็แทรกจิตเราไม่ได้มันแทรกจิตเมือเราไม่ได้ในเมื่อมันแทรกจิตเราไม่ได้มันก็ไม่เอาจิตของเราเนี่ยไปทําเสียหายไปคิดเรื่องการมราคะไปคิดเรื่อง โธสะโกรธแค้นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราไม่คิดสเปะ ส, สปะแล้วไหลเพ้อเจ้อไปตามเรื่องตามราวของกิเลสซึ่งมันมีสารพัดอย่างที่จะพาเรานึกเราคิดในเมื่อมันพาเรานึกเราคิดไม่ได้อยู่แต่ในเงื้อมมือของของธรรมะที่สติธรรมปัญญาธรรมจิตของเราก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปไหนพัฒนาไปสู่การ ที่จะรู้จะเห็นสัตะธรรมเพราะรอบข้างตัวเรานี่เป็นสัตยธรรมทั้งนั้นเราจะเห็นรูปนี่เป็นสัตยธรรมเราจะเห็นเสียงเป็นสัตยธรรมกลิ่นรสสัมผัสรวมไปถึงธรรมมารมทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นสัตยธรรมเราจะเห็นว่ามันเป็นสัจจะอย่างหนึ่งอายตนะภายนอกทั้งหมดมาเป็นเครื่องต่อกับอายตนะภายในคือตาของเราหูจมูกลิ้นกายและใจของเรา เราก็เห็นชัดขึ้นเราจะเห็นหลักสัจธรรมนี่ชัดขึ้นชัดขึ้นเมื่อมีอายตนะภายในทั้งหกมันก็จะต้องไปเกี่ยวข้องกับอายตนะภายนอกทั้งหกทาไมจึงมีอายตนะภายในจะมาทำไมจึงมีอายตนะ ภ, ภายนอกอายตนะแปล ว, ว่าเครื่องต่อเครื่องต่อนี่มันสืบเนื่องไปจากใจใจคือผู้รู้ผู้รู้ตัวเดียวที่มีอยู่ในตัวเรานี่แหละผู้รู้ตัวเดียวนี่แหละ มันเป็นเหตุให้มีอยายตนะภายในมันเป็นเหตุให้มีอยายตนะภายนอกนะเหมือนอย่างในหลักปฏิจจสมุปบาทท่านพูดถึงว่าวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนี่เราฟังแล้วเราเข้าใจชัดคําว่าวิญญา ณ, าญญาณาตัวนี้เป็นวิญญาณหาธาตุเป็นวิญญาณหาธาตุคือธาตุรู้ผู้รู้ธาตุรู้หรือผู้รู้ในตัวของเราในในตัวของเราน่ยคือใจ คือจิตคือใจจิตกับใจนี่มันก็อันเดียวกันใจเป็นภาษาไทายไท ย, ทยจิตเป็นภาษาบาลีจิตตังจิตต์มโนก็เป็นภาษาบาลีมโนธาตุธาตุน้อมก็หมายถึงใจหมายถึงจิตวิญญาณธาตุคือธาตุรู้คือผู้รู้ก็มาถึงจิต ไม่ใช่วิญญาณนักขันวิญญาณธาตุกับวิญญาณนักขันมีส่วนแตกต่างกันวิญญาณธาตุหมายถึงตัวใจวิญญาณนัขันหมายถึงตัวกิริยาของใจหมายถึงกิริยาที่ใจมันแสดงออกเช่นอย่างใจมันรับทราบรูปอพอตาอยายตนะภายในไปกระทบรูปอยายตนะภายนอกปับ๊บใจรับรู้รับทราบ อันเรียกว่าจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณทางรูปทางเสียงทางกลี่นทางรสโสตะวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมะโนวิญญาณวิญญาณอันนี้เป็นเป็นส่วนของกิริยาของจิตไม่ใช่ตัวจิตแท้เป็นตัวกิริยาของมันีมันมีความเกี่ยวข้องมีความสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้ สาเหตุที่จะมีอายตนะภายในะนายตนะภายนอกก็เผื่อเป็นช่องเป็นทางสลับจิตมันออกไปข้างนอกไปรู้อไ ป, ไปรู้นู้นไปรู้นี้ไปเสพนูน้นไปเสพนี้แล้วก็เอาความสุขเข้ามาที่ใจแท้จริงก็คือมันอยากไปเอาเรื่องข้างนอกเนะี่ยมาใส่ให้ไปกับข้างในทําไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยนั้น เป็นผลิตผลของกิเลสร่างกายของเราของท่านเนี่ยเป็นผลิตผลของกิเลสถ้าเราไม่มีกิเลสอัตภาพร่างกายของเราก็จะไม่มีคนที่มาเกิดทุกๆคนจะต้องเป็นคนมีกิเลสเอากิเลสมาเกิดเกิดมากับอํานาจของกิเลสถ้าหมดกิเลสแล้วเราไม่เกิดพระพุทธเจ้าพระอริยะเจ้าท่านพระนิพพานไปแล้วท่านไม่เกิดทําไมท่านจึงไม่เกิดเพราะท่านไม่มีกิเลส ท่านไม่เกิดแล้วท่านไปไหนท่านสูญไปจากโลกไหมท่านก็ไม่สูญไปจากโลกเพราะการเกิดนั้นเป็นความทุกข์การเกิดนั้นมีความทุกข์การเกิดนั้นมีกองทุกข์จิตที่ประกอบไปด้วยกิเลสก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยความทุกข์เพราะกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตนั้นมันเป็นสภาพที่ไปทําให้จิตได้รับความทุกข์เนื่องจากจิตมันมีความรุ่มหลงยึดสิน่นุนยึดสนินี้เกาะสิ่นุนเกาะสินี้ แล้วไปมัดหัวมันเองคือมัดหัวใจมัดตัวจิตพลอยทำให้จิตติดตกทุกกรามังบากไปด้วยกับกิริยาต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนี่เราพยายามทำความรู้ทาความเข้าใจกับธรรมะที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือที่เป็นสัจธรรมที่อยู่รอบข้างตัวเราการที่เราตั้งใจภาวนาต้องจิตต้องการให้จิตสงบ เพื่อให้สติเรากล้าปัญญาเราแข็งเราถึงจะมารับรู้รับทราบมันเกิดการแยกแยะสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยอัตโนมัติเข้ามาเราก็ตั้งใจฝึกฝนอบรมให้เกิดความสงบเวลาพิจารณาให้เกิดความรอบรู้เราก็ต้องใจพิจารณาอาศัยงานสองอย่างนี่แหละเป็นงานทำไปเพื่อให้จิตของเราเนแนหนานมันคงไปด้วยสติด้วยสมปัจจัเพื่อศึกษาหลัก สัตย์จะทำภายนอกทั้งภายนอกทั้งภายในได้ให้ให้ให้เห็นแจม่มแจ้งชัดเจนเมื่อเห็นแจม่มแจ้งชัดเจนแล้วมันก็ทําลายความลุ่มหลงในตัวเราได้ตัวกิเลกก็คือตัวอวิชชาเนี่ยตัวอวิชชาคือตัวอะไรก็คือตัวที่มันหลงหลงเน่ยจิตมันหลงจิตจิตมันพาห ล, ลงภาษาหลักธรรมท่านบญญารรยัติศัพพีอันหนึ่งท่านเรียกว่ากิเลกกิเลส มันเป็นสภาพที่ทําให้จิตเราเศร้าหมองอตราบใดที่จิตของเรายังเศร้าหมองอยู่ตราบนั้นจิตของเราก็ยังมีกิเลสกิเลสแล ว, ว่าความเศร้าหมองแล้วว่าเครื่องเศร้าหมองกิเลสสะกิเลสสะความเศร้าหมองความเศร้าหมองของจิตด้วยเหตุใดจิตจึงเศร้าหมองด้วยเหตุจิตมีกิเลสนั่นแหละจิตยังไม่ชําระขัดเกลารตัวเองให้บริสุทธิ์จบ ยึดนุน่นยึดนี้ยึดสิ่งนุน่นยึดสิ่งนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุว่าจะต้องไปเกิดที่นุน่นที่นี่ตามพื้นตามเพตามคุณสมบัติตามชั้นตามภูมิของจิตถ้าเราพูดถึงหลักใหญ่ๆไปเกิดในกา ม, มาภพคือกา ม, มาโลกไปเกิดในรูปประภพคือรูปประโลกไปเกิดในอรูปประภพคือรูปประโลกรวมไปแล้วคือสามโลกธาตุกาย ม, มาโลกรูปประโลกอรูปประโลก สามโลกกับฐานนี่แหละจิตจะต้องหมุนเวียนไปเกิดนี่แหละเมื่อไปเกิดเมื่อไปเกิดก็คือเอาจิตไปเกิดจิตเป็นนามธรรมเราจะต้องไปมีรูปธรรมเหมือนอย่างเรามีจิตเอาจิตเรามาเกิดะจิตไม่ต้องมาเกิดจิตมันเกิดมันมีอยู่แล้วแต่มันสแสวงหาที่เกิดด้วยเหตุที่เรามีกรรมพอเหมาะพอดีพอสมกับที่มาได้อาตภาพเป็นมนุษย์ เราก็มาเกิดในท้องแม่นะเราก็มาเกิดในท้องแม่อาศัยรูปที่ได้จากพ่อที่ได้จากแม่ที่เป็นรูปประขันนั่นแหะที่ได้จากพ่อที่ได้จากแม่ธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ผสมกันแล้วกลายเป็นรูปของเราขึ้นมาเรามากับพร้อมกับกรรมของเราเราก็ไปปฏิสนธิในท้องแม่ ไปจับจองรูปธรรมนามธรรมปฏิสนธิพร้อมกันในท้องแม่แล้วก็เจริญวัฒนาเทาอ่อนขึ้นมาตามลําดับตามหลักของสังขารที่มีการปรุงกันแล้วมีการผสมกันแล้วเนี่จะไม่มีการคงที่จะต้องมีการเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อ ย, เ ร, อยเราจะเห็นว่าธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ผสมกันในท้องแม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีการเจริญวัฒนาถทาอ่นเรื่อย เรียกว่าภาษาบาลเราเรียกว่าตั้งท้องมีทอ้องเอมีทารกเกิดในทอ้องอแรกเริ่มเดิมทีก็ใสๆเท่ากับหยาดน้ําค้างนั่นแหละแต่มันเล็กกว่านั้นเล็ดเล็กจนเรามองไม่เห็นะ่ะเท่ากับหยดน้ํท า, า, าที่ติดอยู่ที่ปลายขนจามจุรีหยดน้ําที่ติดติดอยู่ที่ปลายขนจามจุรีถ้าเรายังไม่สลัดเรายังพอจะมองออกอ แต่ยังถูกสลัดออกไปแล้วทั้งเจ็ดหนเล็กจนเรามองไม่เห็นแต่ธาตุสองธาตุนั้นผสมกันแล้วแล้วก็มีการเจริญมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยครับโตข้นมาเรื่อยโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยจากน้ำใสๆก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยเป็นน้ําข้นๆเป็นน้ํำล้างเลือดแล้วเป็นก้อนเลือดจากนั้นมาก็เป็นก้อนเนื้อจากนั้นมาก็เป็นก้อนกระดูกโตขึ้นมาเรื่อยหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์สมสัปดาห์กี่สัปดาห์น่ะถึงจะคลอดออกมาอยู่ในท้องแม่ เจริญพัฒนาท้าวอ่อนขึ้นมาตามรูปตามลักษณะของการอุบัติเกิดของมนุษย์นั่นแหละมีลักษณะเป็นมนุษย์นี่นแหละมีหัวมีลําตัวมีขาสองขามีมือสองมือเนี่ยเป็นปัญจาสาขานออกมาออกจากท้องแม่อยู่ในท้องแม่รูปต่างๆเหล่านี้ก็อาศัยเลี้ยงแม่แม่เลี้ยงเราจะเห็นว่าเรามีสายรก สายรบมาที่สะดือเราทุกคนมีสะดือสะดือนี้เป็นท่อน้ำเลี้ยงมาจากแม่ดูดอาหารมาจากแม่ดูดธาตุดูธาตอาหารมาจากแม่เพราะฉะนั้นเจริญเติบโตอาศัยเลือดอาศัยเนื้อของแม่ของพ่อเจริญเติบโตขึ้นมาอยู่ในท้องได้กาหนด กฎเกณฑ์เวลาก็ออกมาเมื่อออกมาแล้วหมอก็ตัดสายรกักพอออกมาแล้วเนี่ยจะใาเลี้ยงจากอัตภาพร่างกายของแม่ก็ไม่ได้จะต้องมาใสลําแข้งตัวเองแล้วจะต้องมาหายใจด้วยจมูกของเราเองแล้วจะต้องมาอา ป, ปากด้วยปากของเราเองแล้วปากกับจมูกนี่แหละเป็นอาหาร เป็นที่เข้าของอาหารลมก็เข้าไปทางจมูกไม่มีลมได้ไหมตายต้องหายใจเข้าไปเป็นระบบของมนุษย์การเกิดของมนุษย์แล้วก็ต้องมีปากสลับใส่อาหารเข้าไปพร้อมกับอัตภาพร่างกายมันก็มีระบบขับย่อยของเขาทําเหมาะสมตามหลักของธรรมชาติพ่อแม่ก็ป้อนข้าวป้อนน้ํานมตั้งแต่เล็ก ก็ป้อนน้ำนมมาเรื่อยๆจนโตใหญ่รู้เลี้ยงสาภาวะดื่มเองได้กินเองได้อะไรเองได้ไม่ต้องพ่อป้อนไม่ต้องแม่ป้อนนี่กลายเป็นรูปเป็นร่ า, เเราวเป็นท่านอยู่เดี๋ยวนี้ตรงนี้อาศัยธาตุกับของพ่อกับธาตุของแม่ผสมกันแล้ก็มีกรรมที่มากับจิตนั่นแหละไปแสวงหารู ป, ปรธรรมเมื่อมีรู ป, ปรธรรมแล้วก็จะต้องมีตา มีตาสลับไปเห็นรูปเวลามันเป็นภาษาธรรมภาษ า, ภ า, ภภ า, ภาธรรมทารีวัฒทวานทวานจะขุทวานคำทวานนั้นคือทางออกคือช่องออกช่องออกของอะไรช่องออกของใจใจไปเห็นรูปไปเห็นทางตาหูเป็นช่องออกของใจใจไปได้ยินเสียง จมูกก็เป็นช่องออกของใจใจไปได้สัมผัสกลิ่นรสสัมผัสกลินล่นลิ้นไปสัมผัสรส ร, ร่างกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันเป็นช่องออกของจิตนะเพราะฉะนั้นในอัตภาพร่างกายของเรามันจะมีสิ่งที่รู้สึกสิ่งที่เป็นเครื่องมือสาหรับรู้สึกนะมีอยู่หกอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่า ท่านเรียกว่าอายตนะภายในอายตนะก็แปลว่าเครื่องต่อเครื่องต่ออายตนะภายในมันต่อกับอายตนะภายนอกตาต่อกับรูปหูต่อกับเสียงจมูกต่อกับกลิ่นลิ้นต่อกับรสกายต่อกับสัมผัสเย็นร้อนอง อ, อ่อนแข็งใจน้อมนึกธรรมารมณ์สิ่งที่ล่วงไปแล้วในใจท้าเรียกว่าธรรมารมธรรมารมคืออารมณ์ที่เกิดภายในใจท่านเรียกว่าธรรมารม อารมณ์อะไรก็ตามอารมณ์ที่เป็นธรรมก็ตามอารมณ์ที่เป็นกิเลสก็ตามเกิดขึ้นในใจท่านเรียกว่าธรรมารมณ์นี่จิตมันน้อมนึกมันนึกคิดโดยลําพังของมันเองเป็นธรรมารมณ์อันนี้ถ้าเราจะทแยกเวลาเร า, เรานอนหลับนะ่ะจิตมันฝันไปนู้นฝันไปนี้นั่นคือจิตทํางานของมันเองไม่เกี่ยวข้องกับกายบางทีเราก็ฝันว่าเราเหาะเรานู้นเร า, เร า, เร า, เรานี่ฝันว่าทํางานอย่างนั้นอย่างนี้ บางทีฝันว่าปวดอุจจาระปัดชาวบ้านบางทีธาตุกาเริบก็เป็นเหตุให้เราฝันได้ดุบายจารย์นั้นว่าธาตุร่างกายของเราเนี่ยมันกําเริบก็เป็นเหตุเราฝันได้เจนอย่างท้องเสียน่ยฉันอะไรไปแล้วก็ท้องเสียะพอท้องเสียละของเสียมันอยากออกแล้วแต่ว่ามัวแต่หลับอยู่มัวต่หลับอยู่มันก็ชวนให้ฝันฝันว่าไปถ่ายเบงทอะไรก็ไม่ออกเบงอะไรก็ไม่อกเบงจนตื่นอ้า นิสสริวัฏธาตุกรรเลิกลักษณะแบบนี้รูปธรรมกับ น, นามธรรมาประกอบกันแต่ถ้าไม่มีลักษณะนี้ส่วนมากจะเป็นเรื่องของนามธรรมรุนร้วนอันนั้นแหละมันเป็นความนึกคิดโดยลําพังของจิตความนึกคิดภายในจิตในความฝันนั้นนะไม่มีเจตนาท่านถือว่าไม่มีเจตนาเพราะในเพราะฉะนั้นในความฝันนั้นจึงไม่มีไม่มีโทษไม่มีภัยอะไรแต่โทษภยัยอ คุณโทษจะตามมาหลังจากเราตื่นมาแล้วเราคิดว่านั่นเป็นคุณเราก็เห็นเห็นว่าเออจะเป็นงังไงจะเป็นอย่างงั้นเราก็เห็นเป็นคุณเราเห็นว่าอันนั้นจะเป็นโทษโทษนั้นจะตามมาอย่างั้นองนั้นอยเราคิดเราคานไปบางทีก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่เพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องไม่มีเกียรตนาจิตไม่มีเกียรตนาเหมือนอย่างเราฆ่า ถ้าเราฝันว่าได้ฆ่าคนนี่ยฝันว่าฆ่าคนหรือไม่บางบา ง, บางคนก็ฝันว่าถูกเขาไล่ฆ่าเนี่ยตื่นอกตรนกตกใจขึ้นมาตื่นบางทีตื่นมาแล้วยังนึกกลัวตัวสั่นอยู่เลยก็มีมันเป็นอย่างนั้นก็มีอันนี้เป็นมันเป็นเรื่องที่ไม่มีมีไม่มีเจตนามันเป็นขึ้นเองเรื่องของความฝันเป็นอย่างนั้น อันนี้เรายกตัวอย่างมาให้ทราบว่ามันเป็นเรื่องของธรรมอารมณ์จิตมันสามารถนึกคิดภายในจิตได้สามารถไปนู้นไปนี้ได้โดยเหตุที่จิตถือกายเนี่ยเราก็ไปแบบมีกายเป็นเรานี่แหละเดินไปที่นู้นเดินไปที่นี่ทำนู้นทำนี่อะไรอยู่ในความฝันนั่นแนหะทำไมยังมีรูปมีร่างก็เพราะว่าเรายึดกายร่างกายนี้ในเมื่อเรายึดมัน มันก็เป็นอันเดียวกับมันเป็นก้อนเป็นแท่งอันเดียวกับกายเพราะว่าจิตมันมาถือกายกายก็อาสายเกิดเกิดได้กับจิตเกิดได้เพราะจิตเกิดได้เพราะจิตยังไงเพราะจิตมีกิเลสร่างกายถึงเกิดได้ถ้าจิตไม่มีกิเลสร่างกายก็ไม่เกิดการที่จิตจะมีกายได้ก็เนื่องจากจิตไปยึดไปถือท่านเรียกว่า ป, ปาทานเมื่อจิตไปยึดไปถือ ก็เลยเกิดพบเกิดภูมิขึ้นมาเมื่อเกิดพบเกิดภูมิขึ้นมาท่านเรียกว่ามีที่เกิดเมื่อมีที่เกิดแล้วเราก็จะต้องไปเกิดไปเกิดที่นู่นตามพบตามภูมิต่างเท่านั้นแหละจึงเป็นเหตุให้เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมาสำหรับเป็นทวารจิตมันออกไปข้างนอกเพื่อไปทานู่นไปทำนี่ไปสัมผัสกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกลิ่นกับรสกับสัมผัสทางกาย แล้วก็สัมผัสกับอารมณ์เรานอนเรานอนหลับฝั น, นจิตมันไปสัมผัสกับอารมณ์อารมณ์ที่มันตกค้างไปในภายในจิตมันสามารถนึกวาดกะเกณฑ์อะไรได้ภายในภายในความฝันถือเราไม่นอนหลับฝันสมมติอย่าเรานั่งภาวนาเรานั่งภาวนาเราไม่ได้ใช้ตาเห็นนะเราไม่ได้ใช้หูได้ยิน เราใช้จิตบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่สัญญาอารมณ์ก็โผล่มาได้เป็นรูปโผล่มาภายในจิตเป็นเสยียงโผล่ขึ้นมาภายในจิตเป็นกลิ่นโผล่มาภายในจิตถ้าเรียกว่าธรรมอารมณ์ธรรมอา ร, รมณ์มันโผล่เข้ามาด้วยสัญญาด้วยด้วยด้วยลักษณะของสัญญาสัญญาคือสิ่งที่มันเคยผ่านมาสิ่งที่มันเคยจาได้ นอกจากจำได้แล้วมันก็ไปหมายรู้เอาเองคำว่าหมายรู้เอาเองก็คือตัวมันเองเนี่ยมันสามารถคิดกะเกณฑนนู้นกะเกณฑ์นี้ได้โดยลำพัง ข, ของมันเองสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างสิ่งเป็นสร้างสิ่งที่ตายให้เป็นเปลี่ย น, น, น, นขึ้นมาก็ได้สร้างสิ่งแปลกประลาดอัศจรรย์ ส, สิ่งลนี้เป็นอุปกรณ์เป็นชิน้นส่วนที่แปลกประาอัศจรรคือภายในจิตของเรา เพราะฉะนั้นตั้งใจภาวนาพอจิตเราเป็นไปเราจะรู้ว่าเราจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตเห็นความแปลกประหลาดของจิตภายในจิตมันจึงเป็นงานที่เราควรสร้างควรทํำมันเป็นการปรับปรุงพื้นเพของจิตมันเป็นการปรับระดับจิตมันเป็นการเอาจิตมาทําบุญให้เกิดบุญคําว่าเกิดบุญก็คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากเข้ามากเข้า ไม่รู้สึกตัวเองมากเขา้าก็จะรู้สึกสิ่งที่เมื่อรู้สึกตัวเองมากเข้าก็รู้สึกรู้สึกกับสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องรู้สึกนึกถึงความไม่ฉลาดการงม ง, งายของตัวเองที่ไปเกี่ยวข้องไปผูกพันกับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้เลยยึดเข้ามาดึงเข้ามาล่าเข้ามาเอามาแบกเอามาหามเอามายึดเอามาถือเอาเป็นสัญญาอารมณ์มั่นหมายโดยอุ ป, ปาทานคนเราอุปาทานยังไงก็ต้องไปเกิดอย่างไง เรายึดสิงด่งใดอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จําเป็นจะต้องไปทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นแหละตามที่เรายึดนั่นแหละการยึดนั่นแหละมันเป็นเป้าหมายสมัยอย่างพรุ่งนี้เราคิดว่าเราจะไปอุดรนเนี่ยเนี่ยเรายึดแล้วพอถึงวันพรุ่งนี้ปั๊บเราก็ไปอุดรใช่ไหมเราจะไปที่ไหนบ้างจะไปที่นู่นที่นู่นที่นู่นสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวไปโพลละโพลที่นู่นที่นู่นที่นู่นจะไปไหน <S <S จะไปบ้านนนนจะไปเมืองนี้ จะไปประเทศน้นประเทศนี้นี่คือเราเรายึดเอาไว้เสร็จแล้วเราจะต้องไปโผล่ไปตามนั้นยึดยังไงก็ไปโผล่ที่นั่นยึดยังไงก็ไปเกิดที่นั่นนี่ท่านเรียกว่าอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดพบเป็นเหตุให้เกิดชาติเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นจากการที่เรายึดในเมื่อเรายึดเสร็จแล้วเราก็พยายามสร้างเรื่องขึ้นมาให้เกิดขึ้นตามที่เรายึดมันเป็นการทําด้วยความ ผูกพันด้วยความติดอกติดใจด้วยความผูกพันหรือด้วยเหตุจําเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่มันก็เป็นเหตุให้เกิดเกิดอุปาทานแล้วเกิดเกิดพบเกิดชาติขึ้นมาจะต้องอันนี้เราพูดโดยอุปมาเปรียบเทียบมาที่จิตของเราเนให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งภายในเป็นงานของจิตทั้งหมดเป็นงานของใจทั้งหมด ที่เราทําไปแล้วเราปฏิบัติไปแล้วเราทําไปแล้วเราภาวนาไปแล้วเรามีความรู้เรามีความเข้าใจนั่งหลับตาอยู่เราก็รู้เราก็เข้าใจเราไม่เข้าใจสิ่งแปลกแตกต่างไปจากตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็ตามแต่เรารู้เท่าทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในจิตของเราจากการที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสเรารู้ได้ เรารู้ได้เราเข้าใจได้เราแก้ปัญหาได้เราถอนการยึดมั่นถือมั่นได้อันนี้เป็นเหตุจาเป็นอันนี้เป็นเหตุสำคัญการถอนอุปาทานได้ก็คือการถอนทุก์ได้การไม่ถอนอุปาทานก็คือการไม่ถอนทุกข์เพราะฉะนั้นร่างกายนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องถอนถอนอุปาทานถอนอุปาทาน จากการยึดมั่นถือมันในกายเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราหัดพิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาร่างกายนี้เป็นอนิจจังร่างกายนี้เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงตั้งแต่คําว่าอนิจจังคําว่าอนิจจังน่ยมันเกิดมันเป็นกิริยาของรูปธรรมกันามธรรม ที่มันไม่คงที่มันไม่คงที่มันไม่อยู่กับที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรือ่อยการเปลี่ยนตัวเองไปนะั้นท่านเรียกว่าทุกขังกิริยาลักษณะของการเปลี่ยนท่านเรียกว่าอนิจจังอันเกิดขึ้นจากสังขารที่มีความเกี่ยวข้องกันสังขารก็คือรูปการอย่างใดอย่างหนึ่งระบบการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ระบบการในที่นี้มันเป็นระบบของธรรมชาติ ที่มีสังขารตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปประกอบกันเป็นสังขารนะครับสังขารนั้นๆจะไม่มีการคงที่การไม่คงที่ของสังขารนั่นแหละคือความทุกข์การที่ต้องเปลี่ยนไปตามลักษณะของความไม่คงที่นั่นคือความไม่คงที่น่ท่านเรียกว่าอนิจจังคือคือความไม่เที่ยงคาว่าไม่เที่ยงก็คือไม่คงที่นั่นแหละความไม่คงที่คือความทุกข์เพราะฉะนั้นความไม่คงที่กับความทุกข์นี่ความไม่คงที่ยังไงความทุก ก็อย่างนั้นคือไม่เที่ยงยังไงทุกข์ก็อย่างนั้นทุกข์ขังยังไงอนิจจังก็ยังไงอย่างนั้นอนิจจังยังไงทุกข์ขังก็อย่างนั้นทั้งอนิจจังทั้งทุกข์ขังนี่เราบังคับบัญชาไม่ได้ดอกพระเจ้าก็ระ僧บังคับบัญชาไม่ได้เพราะเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎตายตัวของหลักธรรมชาติเป็นหลักธรรมชาติที่มีสังขารที่เป็นสังขาร เมื่อเราระงับสังขารต่างๆเหล่า น, นี้ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าวิสังขารวิสังขารท่านทรงตรัสว่าวิสังขารคําว่าวิสังขารก็คือไม่ถูกสังขารปรุงแต่งสังขารตั้งแต่สองขึ้นไปแล้วมันเป็นการปรุงแต่งแห่งการแลกกันมันปรุงแต่งทําให้เกิดนู้นทำให้เกิด น, นี้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยเราดูง่ายๆเราดูย้อนไปในท้องแม่ที่เราเกิดนั่นแหะมันจะเปลี่ยนตัวมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อย ตอนออกมาคลอดออกมาใหม่ๆก็ยังไม่รู้เดียงสาภาวะเท่าไรดอกภาษีภาษาอะไรไยังไม่รู้ภาษีภาษ า, าพอร่างกายเริ่มแข็งเริ่มแข็งแรงสิ่งที่ตอบรับกับจิตรเริ่มแข็งแรงร่างกายเป็นสิ่งตอบรับของจิตอวัยวะส่วนนั้นเริ่มแข็งแรงอวัยวะส่วนนี้เริ่มแข็งแรงแข็งแรงมาถึงประสาทมาถึงสมองมาถึงประสาทปลายประสาทอะไรต่ออะไรทุกอย่าง แข็งแรงมาเรื่อยแข็งแรงมาเรื่อยที่เรียกว่าเริ่มรู้เดียงสาภาวะเริ่มรู้เดียงสาภาวะก็เริ่มเริ่มใช้ใช้ร่างกายนี้ได้ซึ่งมันสามารถรับได้กับจิตแท้จริงจิตเขาก็อยู่เท่าภาวะเดิมของเขานั่นแหละแต่เนื่องจากว่าร่างกายมันรับไม่ได้ด้วยด้วยเหตุที่ว่ามันอ่อนเกินไปยังไม่สามารถจะรับอะไรได้เราออกมาไม่ไมเราไม่รู้อะไรโอแว่โอแ ว, ว่ไปตามเรื่องเท่านั้นแหละไม่รู้อะไรดอก อยู่ที่ไหนออกเมื่อไห ร, ร่ยังไงคลอดเมื่อไรแม่คลอดที่ไหนไม่มีใครรู้จําได้สักคนอ่ะถ้าพ่อไม่บอกแม่ไม่บอกไม่มีใครรู้จักสักคนแอบรู้รู้ไหมใครรู้บ้างตกฟากเมื่อไหร่ตอนไหนออกจากท้องแม่เมื่อไหร่ตอนไหนถ้าท่านไม่บอกเราไม่รู้เนื่องจากว่าจิตมันมีอยู่แต่มันแสดงออกยังไม่ได้มันแสดงออกมาที่กายยังไม่ได้ร่างกายยังไม่แข็งแรงพอ พอเริ่มรู้เดียงสาภาวะนานเท่าไหร่รู้เดียงสาภาว ะ, ะเราก็ไม่ใช่หมอเราวิววววจารวิจัยไม่ได้กี่สัปดาห์กี่เดือนกี่ปีถึงจะรู้จกักยิ้มรู้จักพูดรู้จักคลานรู้จักวิ่งรู้จักเดินรู้จักอะไรใหญ่ยยโตไปเรื่อยๆจนรู้เดียงสาภาวะรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีรู้เหตุรู้ผลก็เหมือนพวกเราพวกท่านอะไร แท้จริงจิตมันรู้มาตลอดแต่สิ่งที่จะตอบสนองมามันตอบสนองไม่ได้ร่างกายมันตอบสนองไม่ได้นี่เราพูดในแง่ว่าความเกี่ยวข้องของกายความเกี่ยวข้องของจิตกับกายกับจิตกับกิเลสกิเลสคือตัวที่ทําให้จิตเศร้าหมองคือตัวจิตเองแหละมันเศร้าหมองมันเป็นแก้วสารพัดนึกที่ยังไม่ได้ขัดเกลา ว, วังั้นเถอะก็เรายังไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ไม่มีแง่มุมต่างๆที่จะทําให้สะท้อนแสงเหมือนพลอยเหมือนเพชรเหมือนพลอยเพชรพลอยที่ยังไม่ได้เอามาเจียร์ในก็ยังไม่มีแสงสว่างพอเอามาเจียพอเอามาเจียเป็นเป็นพลอยเนี่ยเอามาเจียทํามุมเอามาเจียเป็นมุมเนี่ยความเป็น แผ่นราบของมันเหมือนแผ่นเหมือนแผ่นกระจกเงาอะไรน่ยมันสามารถสะท้อนแต่ถ้าเป็นกลมๆเป็นอะไรมันไม่สะท้อนถ้าเป็นถ้าเป็นแผ่นแผ่นถ้าเป็นแบนเหมือนอย่างเขาเจียรเพชรเกียรอะไรเขาเกียร์เขาจะเจียร์มันแบนเป็นกี่เป็นกี่แบนเป็นกี่เหลี่ยมกี่สันกี่ขมก็ตามแต่ความแบนเข้ามาเนี่ยมันจะสะท้อนแสงสะท้อนนะสะท้อนมากจริงๆอย่างเพชรนุ่นน่ะเพชรที่ชเวดากองนะ เราไปคราวที่แล้วเพชรที่เชเวีดาวกรนะเพชรหนักมากหนักต้องเจ็บจิบว่ากระับกระดับหนึ่งเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะบนยอดเจดีย์เฉวีดาวนะ่ะมันจะมีมุมหนึ่งของเจดีเวลาเขาเปิดไฟส่งองกลางคืนเนี่ยเราไปยืนอยู่ที่มุมนั้นเราจะเห็นเราจะเห็นเพชรบางคนเห็นเป็นสีเหลืองบางคนเห็นเป็นสีแดงบางนคนไปเห็นเป็นสีฟ้าเขีย ว, ยวตามแง่ตามมุมขก็มันไม่เชื่อใคร ไปพมา่าลองไปดูที่เชเวดากองเราไปดูมาแล้วไปยืนอยู่ในที่ที่เขาว่าเห็นไปดูแลเห็นอันนั่นแหละคือสีมันสะท้อนมันสะท้อนมีความแวววาวของจิตของเราก็เช่นเดียวกันจิตมันยังไม่ได้ชําระยังไม่ได้ขัดไม่ได้กล่าวเหมือนอย่างเพชรเหมือนอย่างพลอยที่ยังไม่ได้เจริญในมันก็เลยไม่มีแวววาวความแสงสว่างในตัวเอง มันเลยกลายเป็นจิตเศร้าหมองเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเราทุกคนมีหน้าที่ที่เราจะต้องมาเกียรไนเกี่ยรไนให้เห็นความแปลกปราดอัศจรรย์เห็นแง่เห็นมุมต่างๆสรุปลงแล้วผิดผลของมันก็คือความรู้ ร, ร, ร, รู้นู่นรู้นี้ตราบใดที่เรายังไม่ได้เกี่ยรไนมันรู้อยู่เหมือนกันแต่มันรู้ผิดมันมีทิฏฐิเหมือนกันแต่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่ใช่สัมมาทิฏฐิคือรู้ผิด คนเรานั้นแหละเมื่อรู้ผิดก็ต้องยึดผิดก็ต้องถือผิดก็ต้องสําคัญผิดแล้วก็ต้องทําแบบผิดผิดเพราะเรารู้ไม่จริงเรารู้ผิดทํำไมเราจะรู้ถูกได้เราจะต้องมาขัดเกลารตัวเองขัดเกลาก็เหมือนกับช่างเขาเจียระไนนั่นแหละเจียระไนเพชรพลอยนั่นแหละเจียระไนเกิดแง่เกิดมุมต่างๆเราเจียระไนจิตของเราเราไปเจียระไนด้วยสมถะ กมฐาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเป็นสมถกรรมฐานด้วยวิปัสนากรรมฐานพุทโธพุทโธดูความเปลี่ยนแปลงของคําว่าพุทโธดูความเปลี่ยนแปลงของจิตดูความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ภายในจิตดูความเปลี่ยนแปลงของกายดูกิริยาที่จิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับกายดูกิริยาของจิตที่เข้าไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ภายในจิต เพราะฉะนั้นเราจรึงมีหน้าที่ที่จะมาสร้างมรรคธรรมสติสัมปชัญญะให้แก่กล้าปัญญาที่ชัดเจนก็จะจะค่อยๆชัดเจนขึ้นค่อยๆชัดเจนขึ้นค่อยๆชัดเจนขึ้นจิตของเราก็จะเป็นจิตที่อัศจรรย์แพรว่ า, วาวเหมือนกับเพชรกับพลอยนั่นแหละเห็นไหมอยู่สูงนูน่นบนยอดเจดีย์เชือดดอกองน่ะทั้งร้อยกว่าเมตรนะสูงนะเจะดีย์เจดีย์นะสูงตั้งร้อยกว่าเม็ดนะสามารถมองเห็นพลอยสะท้อนแสงได้ไม่ใช่ไฟนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไฟถ้าเป็นไฟมองส่วนไหนก็เห็นแต่อันนี้เราไปยืนอยู่ในตรงในตรงที่เป็นมุมเป็นเหลี่ยมของมันคือกลางคืนเราจะเห็นเพราะว่ากลางคืนมันมีไฟส่องขึ้นไปกลางวันมองไม่เห็นหรอกมองเห็นกลางคืนนี่อันนี้คือความสว่างของเพชรของพลอยซึ่งเรามาพูดมาเปรียบเทียบกับจิตใจของเราเรามีหน้าที่ที่จะชําระขัดเกลา เกียรนยจิตของเราด้วยกันทุกคนจิตของเรายังไม่ดียังไม่เลิศยังไม่ประเสริฐเนื่องจากยังไม่เกียรนยจิตนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับกิเลสสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองนั่นแหละท่เรียกว่ากิเลสกิเลสเราฟังดูแลเราก็งงวะ่ะกิเลสมันทำให้จิตเราเศร้าหมองคือจิตน่นมันรู้อยู่แต่มันรู้ไม่ ผูกมันรู้ไม่ต้องมันรู้ไม่ถูกรู้ไม่ตรงรู้ไม่จริงรู้แบบปลอมๆจิตมันรู้อยู่แต่มันรู้กับสิ่งที่เป็นจอมปลอมเพราะมันยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้เกี่ยะไหนเหมือนเหมือนเพชรสมมติว่าเพชรก้อนเพชรก้อนหนึ่งที่เราไปได้มาน่ยอาจจะเป็นลักษณะสันฐานยังไงก็ตามแต่มันไม่เป็นเหลี่ยมเป็นสันที่จะทําให้เกิดความความสะท้อนเยมันก็สะท้อนไม่ได้มันจะเป็นสีอะไรแล้วก็เห็นไม่ได้ มันเห็นหลายสีนะเพชรก้อนเดียวกันะเห็นเป็นหลายสีสีที่เห็นก็คือสีนั่นแหละสีส้มสีแดงสีส้มสีแดงสีเขียวสีอะไรอะสีคล้ายๆรุ้งนั่นแหละสีรุ้งน่ะมันมีกี่สีสีรุ้งมันจะเห็นเป็นสีสีเหล่านี้มันเป็นสีที่มันมีอยู่ในธรรมหลักธรรมชาติภาษาวิทยาศาสตร์ เรียว่าเป็นสีที่แฝงอยู่ในหลักธรรมชาติสีที่มันแฝงอยู่ในไวโอเลตโอเลตคือแสงพระอาทิตย์เราจะเห็นรุง้งรุ้งนั่นคือสีที่มันอยู่ในอากาศแสงที่มันอยู่ในอากาศออกมาในลักษณะรุง้งพอมันมีอะไรมาทำให้ได้ศกเหมาะดีของมันมันก็ทำให้เราเห็นเป็นรุง้ง มันเกิดแสงสะท้อนกับสีทําให้เกิดเป็นสีนั้นสีนั้นสีนั้นสีนั้นแสงที่เห็นในเพชรในพลอยก็เช่นเดียวกันมันเป็นแสงที่มีอยู่ในอากาศมุมหนึ่งเรามองไปเห็นเป็นสีส้มมุมหนึ่งเรามองเห็นเป็นสีแดงมุมหนึ่งเรามองเห็นเป็นสีเขียวทั้งทั้ที่เพชรก้อนเดียวกันจิตของเรานี่อัศจรรย์มากกว่านั้นอีัศจรรย์จนสามารถถอยตัวตัวเองได้ถอนตัวเองออกมาได้ถอนจากการยึดมั่นถือมันใน ในปัญจขันธ์เนี่ยปัญจขันธ์ก็คือรูปร่างกายทั้งหมดถอนได้ถอนได้ยังไงถอนได้โดยไม่สําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราว่าเป็นตนเป็นของของตนเราไม่มีอยู่ในกายนี้กายไม่มีอยู่ในเราเราไม่มีในกายกายไม่เป็นเราเราไม่เป็นกายถอนได้เด็ดขาดเห็นร่างกายสักเท่าไหรเป็นธาตุเป็นขันธ์เท่านั้นที่มาเกาะกลุ่มกันแท้จริงร่างกายนี้เป็นธาตุเป็นขันธ์ เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาเกาะกลุ่มกันมันไม่ต่างอะไรกับธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟข้างนอกมันแตกต่างจากธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟข้างนอกก็เพราะว่ามันมีกรรมมันมีกรรมมันอาศัยกรรมมาเกาะมากลุ่มเอาไว้อาศัยเลี้ยงไว้ด้วยกรรมกรรมอันนี้ก็คือฤทธิ์เดชของจิตแหละ เป็นพลังของจิตนั่นแหละเป็นพลังของกรรมกรรมมันมาพร้อมกับจิตเมื่อจิตมาจับจองอาศัยกรรมตัวนี้เนะี่ยมาปกครองดูแลหล่อเลี้ยงเอาไว้สรตภาพร่างกายของเรานี่ยนี่พูดในแง่มุมหลักธรรมชาติหลายๆอย่างให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพื่อเวลาเราทาให้จิตของเราได้รับความสงบเพื่อเวลาเราต้องการจัพิจารณาเกิดความรอบรู้ ว่าอันนี้คือหลักทั้งหมดที่เราพิจารณาแล้วทําให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งในอัตภาพร่างกายของเราในแจ่มแจ้งในจิตของเราแต่มันจะแจ่มแจ้งได้ก็ต้องเราชาระขัดเกลากีรณาในจิตของเราเองเพื่อเกิดความแพร่แพ ร, พร่เกิดความสว่างสวยัยนี่เราก็ไม่พ้นที่จะมา น, นึกถึงเรื่องการภาวนาสิ่งแรกที่เราต้องการให้มีให้มากที่สุด มากเท่าไรก็ไม่มีการเฟอร์ก็คือสุติกับสัมปชัญญะไม่มีการเฟอร์เราสามารถไปสร้างไปทำอะไรได้ด้วยด้วยเหตุตั้งจิตตั้งจิตไว้เฉพาะจิตสังเกตที่จิตตั้งจิตไว้เฉพาะจิตสังเกตที่กายกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายดื่มกายทำกายพูดกายคิดกิริยาต่างๆเรา เหล่าใดอย่างใดอย่างหนึง่งแสดงออกมาเนี่ยมีสติรู้เท่าทันหมดในเมื่อมีสติรู้เท่าทันหมดมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้เท่าทันหมดสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปิดกั้นกิเลสปิดกั้นกระแสเป็นเครื่องมันเป็นเครื่องกั้นกั้นกิเลสสติกับสัมปชัญญนะเป็นเครื่องกั้นกิเลสนะ แต่ว่ากิเลสต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถตัดให้ขาดได้ด้วยปัญญาอันนี้ในหลักท่านพูดเ อ, เอาไว้ท่านบอกว่าสติเป็นเครื่องกันก้นกระแสกระแสต่างๆเหล่านี้คือกระแสของกิเลสนั่นแหละสติเอาสติเป็นเครื่องกัน้นเพราะฉะนั้นเวลามีสติเด่นชัดที่จิตแล้วกิเลสไม่เกิดแล้วเราเถียงได้ไหมเราเถียงได้ด้วยเอาความรู้จอมปลอมของเราเราสามารถเถียงได้ ทำไมจะไม่เกิดเราก็รู้รู้ยู่สมัยกิเลสมันเกิดแต่ถ้าเรารู้รู้จริงรู้แบบสมัมมาทิฐิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทีรงตรัสไว้มันไม่เกิดจิตเพราะจิตเนมันรับอารมณ์ได้อารมณ์เดียวตราบใดที่จิตถูกธรรมะครอบงําอยู่กิเลสมันก็เข้าไปแทรกแซงไม่ได้ตราบใดที่กิเลสครอบงําอยู่ธรรมะก็เข้าไปแทรกแซงไม่ได้นี่จิตของเรานะนะ ถูกธรรมะยืมมาใช้บ้างถูกกิเลสยืมมาใช้บ้างเช่นอย่างเราตั้งใจภาวนาเนี่ยมันก็มีธรรมะเกิดขึ้นในจิตของเราบ้างตราบใดที่เกิดขึ้นกิเลสมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ด้วยเหตุที่มันไม่มั่นคงแข็งแรงพอพอติดมาติดมือมาเนี้ยก็หลุดมือไปตราบใดที่ธรรมะหลุดมือไปกิเลสมก็แทรกเข้ามาแทรกมาในที่ที่เดียวกันแหละที่จิตนั่นแหละมันแทรกเข้ามา มันแทรกเข้ามาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีสติมีสัมผัญญันย้ามากถ้ามีมากแล้วกิเลสมันแทรกเข้ามาไม่ได้ในเมื่อกิเลสเขาแทรกเข้ามาไม่ได้จิตของเราก็โโรสว่างสวายอยู่อย่างนั้นมีแต่ความรู้มีแต่ผู้รู้มีแต่วิชามีแต่ผู้รู้ไม่มีอวิชาคือผู้ไม่รู้มีแต่ผู้รู้ไม่มีผู้หลง จริงต่างๆเล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้เราจะต้องอาศัยการสั่งสมสติสัมปชัญญะให้มากเพื่อจะได้ดูได้รู้ได้เข้าใจเห็นแจ่มแจ้งตามที่มันมีจริงตามที่มันเป็นจริงเราจะไม่อยู่ด้วยความลุ่มหลงเดี๋ยวนี้เราท่านอยู่ด้วยความลุ่มหลงอยู่ด้วยการลุ่มหลงลุ่มหลงไปกับอารมณ์นั่นแหละเพราะเราไม่เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งในกายนี้เราจรึงยึดกาย ในเมื่อเรายึดกายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกายเราก็ยึดไปหมด LEO. อะไรล่ะเกี่ยวข้องกับกายกนะ็คื อ, คอร hombre, ทรัพสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเราก็ยึดไปหมดอ ะ, อะไรก็ตามที่เอามาเพื่อสลับบกป้องนุ่งห่มอะไรก็ตามที่เราเอามาเพื่อสลับประดับประ ด, ระดา <st> <cell> รด่างกายอะไรก็ตามที่เอามาสลับบํารุงบําเรืร่างกายที่เป็นอาหารของอยู่ของกินของขบของฉันของเล่นของอะไรสารพัดนี่ในเมื่อเรามีร่างกาย ในเมื่อเรายึดกายเราก็ต้องยึดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกายภาษาธรรมะท่านเรียกว่าเมื่อมีอาหางการมันก็มีมะมังการคําว่าอาหารการก็คือกายเราคําว่ามัมมังการก็คือของของเราของของเราคือของที่เกี่ยวข้องกับกายสรุปลงแล้วของที่เกี่ยวข้องกับกายเอาใช้สอยไปแล้วร่างกายเป็นคนใช้เป็นคนสอย แล้วก็เสียบสุขเข้าไปที่ใจนเพราะตัวการมันอยู่ที่ใจนั่นหาะถ้ า, าพอใจถ้าหากถูกจิตนิสัยก็พอใจถ้ า, าไม่ถูกใจไม่ถูกจิตนิสัยก็ไม่พอใจในที่สุดก็มีพอใจกับไม่พอใจถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเวลาเราเสียบเข้าไปแล้วก็มีพอใจกับไม่พอใจทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วอะไรที่มาสัมผัสสัมพั์ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็สักแต่ว่าสัมผัสสัมพั์ จิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสติด้วยสัมผััญญาเต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมที่ฝึกได้แล้วเนี่ยก็จะเห็นแต่ว่าสัมผัสสัมพันธ์ไปอยู่นอกจิตทั้งหมดสิ่งต่างๆเรานี้อยู่นอกจิตทั้งหมดไม่เข้าไปอยู่ในจิตรูปก็ไม่เข้าไปอยู่ภายในจิตเป็นต่างหากจากจิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่จิตแล้วก็อยู่นอกจิตแต่มันเป็นกิริยาที่เกิดขึ้นจากจิต เราทำแล้วเรพิจารณาเกิดความเกิดความรู้เกิดความเข้าใจถ้าหากเราไม่สัมผัสสัมผัสนั้นเราก็เข้าใจยากเหมือนกันอันนี้เป็นการพูดธรรมะข้างในอุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ข้างในในกายของเราในจิตของเราในการทํางานของกายของจิตของเราพิษสงของกิเลสคืออะไรพิษสงของกิเลสก็คือราคะโทสะโมหะราคะคือความกําหนัดทางจิต เกิดความกำหนดทั้งจิตก่อนเสร็จแล้วก็มากำหนดทางกายมันเกิดความกำหนดที่จิตก่อนเสร็จแล้วมันเกิดมามาเกิดความกำหนดที่กายราคะเช่อย่างร่างกายต้องการมีความกำหนดมีอะไรมาขัดมาค้องอะ่ะ mm. เกิดโทสะขัดข้องขึ้นมาแหละถึงฆ่ากันเลยก็มีราคะโทสะ ทั้งราคาก็ตามทั้งโทรศัก็ตามเกิดขึ้นได้ด้วยอํานาจของโมหะคือไม่หลงคือมันหลงมันไม่รู้เกิดขึ้นด้วยอํานาจของความหลงหลงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรในสุขก็เลยหลงหลงรักแล้วก็หลงชังมีสองหลงนี่แหละหนึ่งหลงรักสองหลงชังถึงแม้ว่าจะมีอุเบกขาคือวางเฉยวางเฉยแต่มันก็มีความหลงอยู่ในนั้นแหละเต็มแปร่อ ย, อยู่ในนั้น เราจะว่าความวางเฉยความบริสุทธิ์ยังบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะว า, วางเฉยจะบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะมันมีความรุ่มหลงอมแปร่อยู่ในนั้นถ้าถ้าเราจะดูก็เหมือนกับผ้าที่มันอมน้ําอ่ะก้อนผ้าที่เราจับขึ้นมาเนี่ยก็เห็นเป็นผ้าไม่เห็นมีน้ำํำลองเราบีบเหมือนอย่างเราซักผ้าเราบีบพอเราบีบปั๊บน้ําก็ไหลออกนั่น เราเห็นไหมตอนนั้นเราไม่เห็นมันอมอยู่ในนั้นมันอมอยู่ในนั้นจิตของเรา เ, าเช่นเดียวกันอุเบกขาคือไม่ยินดีก็ตามไม่ยินร้ายก็ตามเป็นอุเบกขาอยู่แต่มันก็มีความหลงอมแปร่อยู่ในนั้นแหละเนื่องจากว่ามันยังมียินดีอยู่และมันยังมียินร้ายอยู่ต่อเมื่อเราชำระความยินดีได้ความยินร้ายได้ อุเบกขาของเราถึงจะบริสุทธิ์อ่าอุเบกขาของเราถึงจะบริสุทธิ์ยินดีก็ไม่เกิดยินร้ายก็ไม่เกิดเกิดไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มาสัมผัสสัมพันธ์มันอยู่นอกจิตทั้งหมดจิตอยู่รู้รู้อยู่จำเพาะจิตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถจะมารับรู้อะไรต่างๆท้งตาหูจมูกลิ้นกาใจมารับรู้ได้เหมือนเดิม แต่มันรู้มันรู้เท่าทันเข้าใจมันหมดแล้วมันไม่สามารถจะไปเคลือบแฝงจิตได้เพราะฉะนั้นจึงเอากองทุกไปทับถมจิตไม่ได้อันนี้คือวิธีปฏิบัติชาระขัดเกล่าของของเราเราชาระขัดเกล่าทำไมเพราะเราเข็ดเราหลาบในกองทุกถ้าเรายังไม่ชาระขัดเกลวจิตมันก็ยิ่งเศร้าหมองความเศร้าหมองของจิตนั่นะทำให้เราได้ทุกได้รับความทุกข์ ความไม่เศร้าหมองของจิตต่างหากมันเป็นความสุขเพราะฉะนัะ้นความไม่เศร้าหมองทำไงมันจะชาระได้เราจะต้องชักต้องฟอกก็เหมือนอยังผ้าที่มันไม่สะอาดจะสะอาดได้ต่อเมื่อเราซักเราฟอกอแช่น้ําใส่ฝงซักฟอกให้ยี่ใส่น้ําล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วลบีบสะอาดนี่ข้อปฏิบัติภายในจิตของเราก็เช่นเดียวกนันอาศัยความภาคความเพียร เป็นเครื่องชำระเป็นเครื่องฝึกซ้อมเป็นเครื่องซักเป็นเครื่องฟอกจิตของเราให้สะอาดเราฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นข้ออุปมาอุปไมยแล้วก็มาดูที่ตัวเราที่เรากําลังตั้งใจตั้งอกตั้งใจภาวนาเราจะได้มีกระจิตกระใจที่จะตั้งอกตั้งใจเพื่อสํารอก ค, ความทุกข์สำรอกกองทุกข์ ท, กที่มีอยู่ใ น, ในกายของเราในใจของเราให้เบาบางลงไปเพื่อความสุขเพื่อความผาสุขของจิตของเราพรเพื่อความเป็นอิสระของจิตของเรา เอาละพอสมควรเท่เวลา